หมายเหตุการตีความเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทได้กล่าวในเชิงอัดของหน้าที่แแห่งบทว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทนี้ว่าคำภีอัตถกาถาวิพังแห่งพระอภิธรรมปิดกสัมโมหะวิโนทนีหน้า260ถึง278ได้แสดงกระบวนธรรมะปฏิจจสมุปบาทแบบที่เกิดครบถ้วนในขณะจิตเดียว ข้อความนี้เห็นว่าควรยกมากล่าวย้ำไว้อีกเพราะการเล่าเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่สืบสืบกันมาล้วนเป็นการแปลความและอธิบายแบบข้ามภพข้ามชาติทั้งนั้นเมื่อมีผู้ตีความและอธิบายปฏิจจสมุปบาทนั้นแบบกระบวนธรรมะในชีวิตประจำวันท่านผู้ยึดถือหลักฐานทางคำพีบรรยายน่าเห็นไปว่าการทาเช่นนั้น เป็นการตีความนอกแบบแผนขาดหลักฐานและเกิดความหวงใหยไม่สบายใจเพื่อความอุ่นใจและสบายใจร่วมกันจึงได้ยกหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าการอธิบายความแห่งปฏิจจสมุ ป, ปาตแบบชีวิตประจำวันนั้นมีหลักฐานในคำพีแม้ว่าจะอธิบายไม่ถึงกับเหมือนหรือตรงกันทีเดียวแต่หลักฐานนั้น แสดงให้เห็นชัดและมั่นใจว่าการอธิบายแม้แต่ในระดับที่กระบวนธรรมะดำเนินไปอย่างละเอียดรวดเร็วที่สุดในปัจจุบันถึงอย่างนี้ก็ยังมีคำอธิบายไว้แล้วเป็นแต่มีข้อน่าสังเกตว่าหลักฐานที่มีนั้นอาจเป็นร่องรอยของอดีตที่เลื่อนรางมองข้ามหรือปล่อยลืมกันไปและที่ยังเหลืออยู่ได้ก็เพราะมีแกนคือพระไตปิฎกยืนยันบังคับอยู่ ที่พูดมานี้ขอขยายความว่าคำอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบข้ามภพข้ามชาติที่ยึดถือเป็นหลักกันอยู่ในวงการศึกษาพุทธศาสนานั้นมาจากคำภีวิสุทธิมักซึ่งเป็นนิพนธ์ของพระพุทธโคสาจารย์เมื่อพุทธศักราช900เศษแต่ยังมีคำภีอีกเล่มหนึ่งซึ่งอธิบายปฏิจจสมุปบาทไว้ด้วยเช่นกัน คือคำพีสัมโมหวิโนทนีที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นคําอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทในสมโมหวิโนทนีแบ่งเป็นสองตอนตอนแรกอธิบายแบบข้ามภพข้ามชาติเหมือนวิสุทธิมักแต่ตอนสองอธิบายแบบความเป็นไปในขณะจิตเดียวคมพีสมโมหวิโนทนีนี้ ก็เป็นนิพนธ์ของพระพุทธโคสาจารย์เช่นเดียวกันและตามตำนานว่าท่านเขียนหลังคัมภีร์วิสุทธิมักด้วยแตกกันเพียงว่าวิสุทธิมักท่านแต่งเป็นอิสระอย่างเป็นผลงานของท่านเองส่วนสัมโมห์วิโนธนีเป็นอัถกถาอธิบายความในพระอภิธรรมปิดกและพระพุทธโคสาจารย์ได้กล่าวไว้ ในอารมพระคถาด้วยว่าคำพีสมโมหวิโนทนีนั้นข้าพเจ้าสาสางในยะอัตถคถาเก่าเก่าเรียบเรียงขึ้นแม้คำพีวิสุทธิมักที่ว่าเป็นผลงานอิสระของท่านเองพอถึงตอนว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทพระพุทธโกษาจารย์ก็เขียนออกตัวว่าการอธิบายความแห่งปฏิจจสมุปบาททำได้ยาก วันนี้ใกล้จะกล่าวพันนาปัจจยาการทั้งที่ยังหาที่อาศัยไม่ได้เหมือนดังก้าวลงสู่สาครยังไม่ได้ที่เหยียบยันก็แต่ว่าคำสอนเรื่องปฏิจสมุปาตนี้ประดับประดาไปด้วยนัยยะแห่งเทศนาต่างๆอีกทั้งแนวทางของบูรพาจารย์ก็ยังเป็นอยู่ไม่ขาดสายเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจะอาศัยหลักสองอย่างนั้นลงมือพันนาความ แห่งปฏิจจสมุปบาทคําอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทในวิสุทธิมารนี้เมื่อเทียบกับในสมโมหวิโนทนีมีตอนเดียวคือตอนแรกที่อธิบายแบบข้ามภพข้ามชาติไม่มีตอนที่อธิบายแบบเป็นไปในขณะจิตเดียวและตอนที่อธิบายแบบข้ามภพข้ามชาติก็แทบไม่แตกต่างกันเลย กับคำอธิบายในสัมโมหวิโนทนีเพียงแต่ขยายความบางส่วนให้พิสดารออกไปกว่ากันบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อาจมีผู้ตั้งคำถามว่าเหตุใดในวิสุทธิมรรคจึงไม่มีตอนที่อธิบายปฏิจจะสมุปบาทแบบเป็นไปในขณะจิตเดียวเหมือนอย่างในสัมโมหาวิโนทนีที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นได้ว่า แม้แต่ในสมัยของพระพุทธโคษาจารย์การเรียนการสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทในวงการศึกษาพระศาสนามีแต่อธิบายแบบข้ามภพข้ามชาติกันทั้งนั้นในวิสุทธิมรรคท่านจึงจับเฉพาะแง่นั้นอีกอย่างหนึ่งอาจเป็นด้วยว่าในการอธิบายแบบข้ามภพข้ามชาติท่านอาจรู้สึกสะดวกใจมากกว่า เพราะถึงจะยากอย่างที่ท่านเขียนประรกไว้ก็ยังมีแนวของอาจารย์สอนการสืบสืบมาจนถึงเวลานั้นส่วนการอธิบายแบบเป็นไปในขณะจิตเดียวเป็นเรื่องทั้งยากและการอธิบายในวงการศึกษาก็ขาดตอนไปเสียแล้วดังจะเห็นได้ว่าแม้แต่ในคำภีสัโมหวิโนทนีเองตอนที่อธิบายแบบขณะจิตเดียวก็สั้นอย่างยิ่ง าจเป็นได้ว่าที่ยังมีอยู่ก็เพราะมีพระไตรปิฎกยืนยันบังคับอยู่จำเป็นต้องอธิบายเมื่อไม่อธิบายมากก็อธิบายแต่น้อยและเพราะมีร่องรอยจากอัถกถาเก่าๆ เ, เหลืออยู่จึงว่าไปตามที่พอจะมีหลักฐานเดิมเท่านั้นทีนี้หันมาพูดถึง คำอธิบายในสัมโมหวิโนทนีโดยเฉพาะสัมโมหะวิโนทนีเป็นอัถกถาอธิบายคำภีวิพังซึ่งเป็นคำภีที่สองแห่งพระอภิธรรมปีดกคำภีวิพังแห่งพระอภิธรรมปีดกนั้นตอนที่อธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าปัจจาการวิพังแต่ฉบับอักษพรพมาร่าเรียกชื่อตอนนี้ว่า ปฏิจจะสมุปาทวิพังในอัถกถาที่ต่างๆมีเรียกทั้งสองชื่อแบ่งเป็นสองตอนคือสุตตันตภาชนีแจงความหรือขยายความแบบพระสูตรและอภิธรรมภาชนีแจงความหรือขยายความแบบอภิธรรมคำพีสมโมห์วิโนทนีซึ่งเป็นอัถกถา ก็แบ่งอธิบายเป็นสองตอนตามนี้ด้วยครมพีสโมหาวิโนทนีแด้แสดงความแตกต่างแห่งคำอธิบายสองตอนนี้ไว้ว่าพระศาสดาครั้นทรงแสดงปัจจาัการแบบจิตต่างๆดวงในสุตตันตาภาชนีแล้วเนื่องโดยปัจจาัการนี้จะมีเฉพาะในจิตต่างๆดวงอย่างเดียวก็หาไม่ ย่อมมีแม้ในจิตขณะเดียวนี่ละ่ะฉะนั้นในบัดนี้ทรงประสงค์จะแสดงปัจจัยาการที่เป็นไปในขณะจิตเดียวโดวยประการต่างๆแบบอภิธรรมภาชนีอีกแห่งหนึ่งใกล้กันนั้นท่านกล่าวว่าในสุดตันตภ า, าชนีนั้นทรงจําแนกปัจจัยาการเป็นไปในขณะจิตต่างๆกัน ในอภิธรรมภาชนีนี้ตรงปรารบปัจจาการเป็นไปในขณะจิตเดียวมีตัวอย่างคำอธิบายแบบเป็นไปในขณะจิตเดียวในชีวิตประจำวันเช่นเพราะชาติเป็นต้นความเกิดแก่ตายเหล่านี้ได้แก่ความเกิดแก่ตายของอรูปธรรม ท, ทั้งหลาย ฉะนั้นจึงมิได้ตรัสว่าภาวะที่ฟันหักภาวะที่ผมงอกภาวะที่หนังเหี่ยวย่นการจุดติกิริยาที่เคลื่อนจากพบดังนี้มีข้อน่าสังเกตว่าในคำพีวิพังคือในพระไตรปิฎกภาคสุตตันต์ภาชณีที่ว่าด้วยปัจจยาการ ในจิตต่างๆดวงแบบเน้นการข้ามภพข้ามชาติมีเพียงห้าหน้าภาคอภิธรรมภาชนีที่ว่าด้วยปัจจาัการในจิตดวงเดียวมีถึง72สิบสองหน้าแต่คาอธิบายในสามโมหวิ น, นุทนีกลับตรงข้ามคือตอนอธิบายสุตันตาภาชนียาวถึง92หน้าส่วนคาอธิบายอภิธรรมภาชนีมีเพียง1ิาหน้า การที่คำอธิบายในอภิธรรมภาชนีสั้นนักอาจเป็นเพราะพระอัฏฐกถาาจารย์คือพระพุทธโคสาจารย์ไม่มีอะไรจะพูดมากนักเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือเป็นเพราะท่านเห็นว่าในพระตายปิดกแสดงไว้ยืดยาวละเอียดดีแล้วไม่ต้องอธิบายมากจะอย่างไรก็ตามเป็นอันให้เห็นว่า ความหมายของปฏิจจสมุปบาทที่เป็นฐานของการอธิบายแบบชีวิตประจำวันเป็นของมีมาแต่เดิมตั้งแต่ในพระไตรปิฎกและมีร่องรอยอยู่ในอั ธ, ธกถาเป็นแต่ว่าได้ค่อยๆเลือนรางละเลยหรือถูกปล่อยลืมกันไปในเวลาต่อๆมา